ใครก็ได้สามารถทําหน้าที่อย่างนี้ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นหลักสากลเป็นสิ่งกลางๆไม่ผูกขาดสําหรับใคราศาสนาใดลทัทธิใดเชื้อชาติใดก็สามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยทำเอาไปปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกที่จะมา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 คาว่าธรรมะเนี่ยความหมายที่เด่นชัดก็คือธรรมะคือความถูกต้องแล้วก็ดีงามด้วยมีความถูกต้องมีความดีงามอยู่ในตัวเขาเสร็จถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็ถูกทำถูกทำนองกรองทำ ม, มันก็แก้ปัญหาจิตปัญหาใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ได้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 ถ้เกิดจากความคิดที่เราได้รู้เรื่องราวต่างๆจากสิ่งภายนอกจากคนรอบตัวเราทาให้ใจเราเนี่ยพลอยเครียดไปด้วยพลอยทุกข์ไปด้วยความเครียดเข้ามาสู่จิตนะ่ยความเครียดคือความผิดปกติของจิตจิตที่เป็นปกตินั้นมันก็สบายๆดีอยู่นะมันจะไม่เครียดแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบปับ๊บ พอจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจิตมันก็เกิดความเครียดทันทีเลยเนี่ยทุกแหละอันนี้คือปัญหาเนี่ยย่อมเกิด ข, ขึ้นได้กับคนทุกคนนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเวลามีเรื่องราวมากระทบจิตกระทบใจแล้วเรามักจะขาดสติไม่จะปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้ไปหมกมุ่น คลุ่นคิดอยู่ในอารมณ์ที่ทําให้เราเครียดปล่อยจิตปล่อยใจให้ตกจมอยู่ในความคิดไม่ยอมถอนจิตถอนใจเราเนี่ยให้ออกจากอารมณ์นั้นคิดวกวนเวียนเช้าสายบ่ายเย็นถึงไดยามค่ําคื น, นแล้วก็นอนไม่หลับเพราะความคิดเราเนี่ยมันมาบีบคั้นจิตใจเราให้เป็นทุกข์แล้วยิ่งคิดเนี่ยเราก็ยิ่ง ตอกย้ำจิตใจเราให้เป็นทุกข์หนักยิ่งขึ้นคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องเก่าๆเดิมๆเนี่ยใจเราก็เลยหมดอิสระภาพเลยที่หมดอิสระภาพเพราะว่าใจเราเนี่ยขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจให้ติดคุกของความคิดเมื่อติดคุกของความคิดจิตมันก็หมดอิสระภาพใช่หไหมมันก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะความคิดเนี่ย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 อย่าเพิ่งไปแก้ปัญหาในเรื่องราวที่เราเป็นทุกข์อยู่อย่ า, าเทักไปสนใจกับเรื่องราวนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขนาดนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะแก้ไขไม่ได้แนละในขนาดนั้นเถอะอย่าเพิ่งไปสนใจมเมื่อจิตมันเครียดจิตมันทุกข์เราต้องรู้จักที่จะผ่อนคลายเราคลายเครียดให้จิตเราเนี่ยมันผ่อนคลายสักหน่อยมีวิธีหลายอย่างเราจะเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้ใช่ไหม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 ช่วยผู้อื่นช่วยส่วนรวมเห็นไหมใจเรารู้สึกสบายๆอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะมันทําให้ใจเราเบาแล้ว ใ, ใจเราผ่อนคลายมันก็จะสบายจิตเราก็จะหลุดออกมาจากอารมณ์ที่เราเครียดได้สังเกต ด, ดูในเวลาเราทําอะไรคนอื่นเขามีความสุขช่วยเหลือเขาเขามีความสุขเขามีความสุขเนี่ยใจเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยเห็นไหม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 บางที่จะเพิ่มความเครียดให้จิตใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวความทุกข์นั้นก็จะหลุดออกไปจากจิตอย่างไปทิ้งเลยมันก็เหมือนอย่างกับเราเลี้ยงเด็กเราเลี้ยงเด็กเวลาเด็กเขาร้องไห้อ้อนโยเยดูทาท่าจะดือ้อจะไม่เชื่อฟังเราถ้าเราพาเด็กไปเที่ยวซะไปดูสิ่งนูน้นสิ่งนี้เป็นการ ผ่คายเขาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากอารมณ์ที่เขากำลังร้องไห้ยเย่อเยไปรับอารมณ์ใหม่หรือซื้อสิ่งที่เขาถูกใจหาของเล่นในเขาหรือหาขนมอร่อยๆเข้าทานเนี่ยเขาก็จะหายอ้อนหายร้องไห้หา ย, ยเย่อเยก็ได้นั่นแหละคือเด็กใจเราก็เหมือนกันใจเราเนี่ยเปรตเสมือนเด็กนะมันเด็กน้อยที่เราต้องคอยดูแลเราต้องรู้เท่าทันจิตเทันใจเราเพื่อจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กับจิตถับใจเราเนี่ย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 เมื่อทีมันก็ยังโกรธยังเครียดยังทุกข์อันนี้ก็ดีแล้วนะเรายังมีสติรู้เท่าทันซึ่งสมัยก่อนที่เราไม่เคยมีสติเลยเวลามีอารมณ์ทุกข์เข้ามากระทบเราก็เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์เหล่านั้นใช่ไม่มไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ต่อมาเนี่ยเราเข้าใจเรื่องสติมีการเจริญสติอยู่เสมอๆ เ, เราเริ่มรู้เท่าทันแล้วเราก็ยกระดับจิตใจม า, ารู้เท่าทันอารมณ์ การรู้เท่าทานอารมณ์ด้วยสติบ่อยๆเนี่ยไม่ทำให้เราเกิดปัญญานะเกิดปัญญาเห็นอารมณ์เห็นความคิดตามที่มันเป็นจริงโอ้ยความคิดเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนหรอกมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครคิดไม่มีใครเครียดได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกมันมีช่วงที่ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะ ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในคิดในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็คิดมากแล้วมันก็หยุดคิดอันนี้เป็นเรื่องของจิตที่มันทําหน้าที่กับความคิดจะรู้ความจริงเนาบางทีจิตมันอยากจะคิดมันก็คิดมันเบื่อคิดมันก็ปล่อยของมันเองเราจะเข้าใจเรื่องของจิตเข้าใจเรื่องของความคิดจะเริ่มรู้ทันเลยเนี่ยพอรู้ทันแล้วเราเข้าใจแล้วปล่อยวางมันได้ มายึดติดในความคิดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเกิดปัญญาแล้วนะปัญญาเนี่ยมันจะมาที่หลังนะสติเนี่ยรู้เท่าทันก่อนแล้วเกิดปัญญารู้ความจริงแล้วก็สามารถปล่อยวางความคิดยิ้มออกมาได้เลยบางทีเรื่องราวเนี่ยมันคิดตั้งแต่เช้ายันเย็นโอ้ไม่ได้คําตอบสักทีแต่พอคิดแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันเกิดปัญญาเนี่ยก่อนจะหลับจะนองนงทียิ้มออกมาได้เลยมันปล่อยวางอารมณ์ได้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 ควารู้สึกที่จะผ่อนคลายครับช่วยครับผ่อนคลายครับเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์นี่ถ้ากิดเป็นการปล่อยวางความคิดไปจิตก็จะเบาเมื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วเนี่ยต้องมีสติมีสติจะิดสติให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์สติเนี่ยจะช่วยช่วยปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้เป็นอิสรภาพจาก